ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องไม่ตั้งมั่นในศีลโดยสมณาทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2549ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นำบัดนี้ค่ะ วันนี้ว่าจะเอาเนื้อหาอันตมาทําตอนนี้กําลังทำหนังสือใบเล่มหนึ่งชื่อคนพาลแล้วก็บัณฑิตแต่เล่มนี้หนาพอสมควรก็หนาเท่าๆเล่มชาดกทันยุคอะแต่ทั้งเล่มเนี่ยจะเกี่ยวกับคนบาคนพาลกับบัณฑิตเท่านั้น <laughs> ไม่มีอย่างอื่นแล้ว <laughs> กับคนพาลมียังไงบ้างจริตนิสัยใจคอ นะหรือว่าเนี่ยจะตายแล้วก็จะเกิดจะอะไรยังไงแล้วก็บัณฑิตเนี่ยจะเป็นยังไงยะอ่ะ yeah. ตอนนี้เราลองมาฟังเนื้อหาคือทั้งหมดเนี่ยเอามาจากพระไตรปิฎกทั้งงานนะคือคือเอาข้อความเอาเนื้อหาเนี่ยจากพระไตรปิฎกตอนนี้จะลองให้ฟังอัตมาจริงๆแบ่งไว้เป็น4ี่หมวดคือหมวดหนึ่งเนี่ยจะพูดถึงเฉพาะคนพาน อีกหมวดหนึ่งเนี่ยพูดถึงเฉพาะบัณฑิตว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็อีกหมวดหนึ่งคราวนี้ทั้งคนพาลทั้งบัณฑิตเนี่ยเป็นยังไงคือจะมีธรรมะบางอย่างเนี่ยที่ทั้งคนพาลทั้งบัณฑิตหนีไม่พ้นเหมือนกันเลย <c oughs> คือจะดีจะชั่วต้องโดนอย่างนี้หมดต้องเป็นอย่างนี้หมดนะส่วนอีกอีกอันหนึ่งก็คือคนพาลเนี่ยจะตรงข้ามกับบัณฑิต น่าจะมีอุปนิสัยมีลักษณะมีผลที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต่างกันพอดีที่หยิบมาเนี่ยหยิบมวดของคนพาลที่ตรงข้ามกับบัณฑิตอา้าวลองฟังดูสักอันหนึง่งอันนี้เลือกมาซึ่งส่วนใหญ่พวกเราก็เลือกมาเนี่ย เ, เรามักจะเริ่มในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเริ่มที่อะไร ในการปฏิบัติธรรมเวลาจะแนะนำจะบอกกล่าวให้คนมาปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่จะแนะให้เขาเริ่มทำอะไรก่อนนะ เ, เริ่มในศีลอใบยมุกก็อยู่ในศีล <laughs> ใช่ไหมเข า, าจะเริ่มด้วยศีลอันนี้ก็จะเริ่มเนี่ยจะเริ่มด้วยศีลนะขึ้นหัว ข, ข้อฝ่ายคนพานก่อนว่าคนพานเนี่ยไม่ตั้งมั่นในศีล ฟังดูนะอันนี้จากพระไตรปิฎกเล่มที่26ข้อที่3 7มมีกล่าวไว้ว่าคนพานมีจิตไม่ตั้งมั่นในศีลย่อมได้รับนินทาขณะมีชีวิตอยู่ย่อมได้รับทุกข์เสียใจในที่ทั่วไปแม้เมื่อตายไปแล้วย่อมได้รับทุกข์เสียใจในอบายภูมิอบายภูมินี่ใครรู้บ้าง มีอะไรบ้างอบายภูมิอบา ย, ภ, บายภูมิแปลว่าอะไรอบายอ่ะตามตัวไปอะ่ะตามโภชนานุกรมตามอะไรอบายแปลว่ า, าอ่าล็อกก็ได้หรือว่าแปลอะไรได้อีกแต่อะไรได้อีกเอาอบายมุกเนี่ยเขาแปลว่าอย่างไงอมุกเนี่ยมุกมุกเนี่ยอะไรเออมุกในหัวหน้ า, น ห, ห, นาหรือว่าประตูหรือว่าอะไรต่างๆอันลแล้วตอนนี้อบายอ่ะ ประตูแห่งอะไรหัวหน้าแห่งอะไรหัวหน้าตาลกก็ได้ประตูแห่งความเสื่อมหรือถ้าเขาใช้อีกคำหนึ่งอาจจะหนักๆ ห, หน่อยก็คือจีพาย <c oughs> อบายเนี่ยน ะ, ะเพราะนั้นดูนะเนี่ยอันนี้ถ้าถ้าคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นคำตัดของพระพุทธเจ้านะท่านก็บอกว่าคนพานเนี่ยมีจิตไม่ตั้งมั่นในศีลท่านใช้อันนี้เลยแต่ก่อนอื่นต้องเข้าใจคาว่าพานก่อน เพราะว่าคำ ว, ว่าพานเนี่ยมีความหมายได้หลายอย่างอีกเหมือนกันพานเนี่ยแปลว่าเป็นคนโง่ก็ได้นะ เ, เพราะฉะนั้นอย่าคิดอย่าคิดแบบบางทีบอกว่าโอ้ยนี่พานจังเลยอย่างนี้แปลว่าอะไรละอา่าพวกเกเรพวกก่อกวนพวกนักเลงพวกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นความหมายของพานด้วยเหมือนกันนะเพราะนั้นเนี่ย ท่านบอกว่าคนพาลมีจิตไม่ตั้งมั่นในศีลเพราะนั้นไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นคนไม่มีศีลไม่ใช่แสดงว่าเขาก็มีศีลได้แต่เป็นยังไงไม่หนักแน่นไม่มั่นคงเป็นยังไงบ้างอะไรที่เหตุการณ์อะไรที่จะทำให้รู้สึกไม่หนักแน่นไม่มั่นคงไปเจอก๋วยเตี๋ยวไปเจ อ, เจอส้มตำ อ, อไปเจอเสื้อผ้าสวยๆไปเจออะไรเงี้ยแหมตอนแรกก็ตั้งมั่นมาเนาะจะอะไรนะจะถือศีลเก่งคัดจะสำรวมระวังโอ้โหพอมาเจอไอ้ที่ชอบๆอ บ, อบางทีแหมอ่อนเลยนะ <laughs> ใจเริ่มอ่อนเลยก่อนเนี่ยมันไม่ตั้งมั่นละน่าจะเจอของที่เราชอบกรตามหรือเจอของที่เราชังคือถ้าเจอของที่เราชอบเนี่ยมันหมายทางมาทางกามมาทางราคะ มัาในทางสิ่งที่น่ายินดีทําให้ใจเราอ่อนได้ละแล้วอะไรที่ทําให้ใจเราอ่อนเนี่ยไอสิ่งที่เราไปเจอเหรอที่ทําให้ทําให้ใจเราอ่อนใช่ไหมสิ่งที่เราไปเจอใช่ไหมสิ่งที่เราไปผัสสะใช่ไหมทําให้ใจเราอ่อนนะอันนั้นอ่ะเป็นสื่อ <laughs> อันนั้นเป็นตัวสื่อ <laughs> ใช่ไหมแต่ตัวที่ทําให้ใจเราอ่อนจริงคืออะไรเออคือกิเลสของเรา เพราถ้าตอนนี้ไปเจอของที่น่ายินดีของที่เราชอบเพราะกิเลสตัวนี้เป็นกิเลสตัวตัวกามตัวราคะตัวยินดีเนี่ยแหละเพราะฉนั้นตัวที่ทําให้ใจเราอ่อนเนี่ยไม่ใช่ไอ้สิ่งที่เราไปเจอนะอันนั้นเป็นแค่สื่อเท่านั้นเองถึงบอกว่าบางทีเราไปเจอเนี่ยเราจะไปเจอส้มตําไปเจอสาระเปาเจออะไรอีกอขนมเบื้องเหรอขนมเบื้องยวนเหรออะไรนะ <laughs> พอคุณไปเจอเนี่ย แต่ถ้าใจเราไม่มีกิเลสใช่ไหมใจเราไม่มีไม่มีความยินดีพอใจในไอ้ขนมนั้นเนี่ยมีผลกับคุณไหมล่ะที่จะทำให้คุณโอ้โ oh, หอยากกินต้องซื้อมากินให้ได้มันก็ไม่เกิดเห็นไหมเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าบางคนเนี่ยยังเข้าใจผิดชอบไปโทษว่าก็นี่มาทาให้เห็นเนี่ยดูสิทอดแนละ้วกลิ่นลอยมาให้ดมอย่างเงี้ยมันใครจะไปทนไหวมันจริงๆไม่ใช่ ไอ้น่นมันเป็นสื่อหรือว่ามันเป็นอะไรที่มันมีอยู่ในโลกเนี่ยเยอะแยะไปหมดแหละแต่ตัวที่ทําให้ใจเราอ่อนจริงๆเนี่ยมันกิเลส ข, ของเราว่ามันเป็นตัวไหนซึ่งเราจะต้องรู้ให้ได้นะหรือถ้าเป็นการ น, นี้เป็นในด้านผลักด้านโทสะอ่าด้านผลักด้านไม่ชอบคราวนี้เราก็ไปเจอเหมือนกันอ่าเช่นอะไรบ้างที่เราจะไม่ชอบเช่นไรเจอคน พูดว่าคนที่เรารักอ่าใช่ไหมมีคนอาจสมมติใครรักนายกทักศิลมีคนมาว่านายกทักศอืมมายอมไม่ยอม ม, ยอ ม, มันขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถามว่าตอนเนี้เพราะเขามามาว่าคนที่เรารักใช่ไหมทําให้ใจเราอ่อนแอทําให้เราโกรธใช่ไหมไม่ใช่จริงๆแล้วไม่ใช่แต่ เวลาเวลาเราพูดถึงที่ไรเราบอกก็มันมาดา่าถ้ามันไม่มาดา่าเราจะโกรธเหรอใช่ไหมแต่จริงๆนะ่ะเขายังพูดไม่ถูกวันถ้าเป็นศาสนาพุทธเนี่ยพระพุทธเจ้าลึกกว่า น, นั้นเยอะเลยบอกว่าไม่ใช่หรอกทมายังเคยยกตัวอย่างเลยที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้นะมีคนโดนฆ่าตายอย่างเงี้ยถือว่าโดนอ่าหมายกำลังจะยกตัวอย่างว่าโดนปืนยิงสักเปียงหนึ่งงเงี้ย มมันยุกยุกพระพุทธเจ้าไม่มีปืน <c oughs> เลยต้องยกว่าเอาโดนเอาไม้มาตีหัวเงี้ยหัวแตกโอ้โหทุกทรมานอย่างเงี้ยจะไปบอกว่าคนที่เจ็บเพราะไอ้คนนั้นมาตีเนี่ยพระุทธเจ้าไม่พูดอย่างนั้นอะ่ะพรุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยคนเนี่ยที่เจ็บอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกทรมานอย่างนี้ไม่ใช่เพราะคนนั้นหรอกแต่เพราะพรุทธเจ้าจะใช้คําว่าอะไรเออเพราะกรรมของคนนี้ เขาไปทำไว้เขาถึงต้องมารับวิบากอย่างนี้พุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าตายเพราะเจ็บเพราะคนนั้นมาตีนะแต่เจ็บเพราะกรรมของคนนั้นเนะี่ยคือการกระทำของคนนั้นที่กระทาสั่งสมเอาไว้ถ้าสั่งสมเกลียดชังเอาไว้ใช่ไหมผลักเอาไว้สมมติเราไม่ชอบอไม่ชอบคนใส่กางเกงเขียว <c oughs> <c oughs> เอาแล้วสิเอาแล้วสิ <c oughs> สมมติว่าเราไม่ชอบ ถ้าใครใส่กางเกงเขียวมาไม่ชอบสีเขียวเนี่ยดูแล้วมันอื้อๆดูแล้วมันแหมมันเหมือนอะไรนะเหมือนในน้ำหมูกเหมือนอะไรเขียวๆอะไรเงี้ยไม่ชอบเพราะฉะนั้นก็เลยแหมใครใส่กางเกงเขียวมาไม่ชอบมันบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าคนนั้นน่ะทำให้เราไม่ชอบไม่ใช่แต่เพราะจิตเราเนี่ยเราไปสั่งสมกิเลสตัวที่เราเนี่ย ไปสร้างเป็นอุปทานไว้ว่าเราไม่ชอบสีเขียวนี้คือกิเลสของเราเองที่เราไปสร้างเอาไว้วันที่เราไม่ชอบคนนั้นน่ะที่เขาใส่กางเกงสีเขียวมาเพราะกิเลสตัวนี้ของเราแต่ไม่ใช่เพราะคนนั้นเขาใส่กางเกงสีเขียวหรอกเพราะนั้นคนที่มีกิเลสพวกนี้อยู่เนี่ยเพราะนั้นพอไปเจอดูดก็ตามผลักก็ตามจิตถ้าไม่ฝึกเอาไว้ดีพอจิตมันจะ ไปตามอำนาจกิเลสเพราะฉนั้นมันก็จะไม่มั่นคงในศีลเพราะศีลเนี่ยจะพยายามฝึกให้คนเนี่ยแข็งแรงฝึกบังคับจิตบังคับใจตัวเองให้ได้อันเนี้ยเป็นการที่เราฝึกถือศีลหรือฝึกตั้งตะบะกันแต่พอใครไม่ฝึกเนี่ยปกติคนเราก็จะทําไปตามอารมณ์หรือทําไปตามใจของตัวเองเพราะฉนั้นคนพานเนี่ยถึงได้บอกว่ามีจิต ไม่ตั้งมั่นในศีลก็คือไม่ตั้งมั่นในสิ่งที่กาหนดเอาไว้เราตั้งเอาไว้เพื่อที่จะให้ทําในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นหรือว่าฝึกจิตเราเนี่ยให้แข็งแรงขึ้นมั่นคงขึ้นเพราะฉะนั้นใครไม่ฝึกอันเนี้ยคนนั้นไม่มั่นคงหรอกคำว่าศีลนี่ก็หมายถึงข้อปดข้อระเบียบข้ออะไรต่างๆที่คนนั้นมีอยู่ในใจ เพื่อที่จะเอาไว้ใช้เตือนสติตัวเองเอาไว้บังคับใจตัวเองพ้อนคนไหนไม่มีศีลไม่มีตะบะไม่มีกฎอะไรที่ตั้งไวใ้ให้ได้สำนึกกับตัวเองแล้วรับรองเลยเจออะไรเนี่ยชอบก็เอาเอามาเอามาไม่ชอบก็เอาไปเอาไปก็จะอยู่อย่างเงี้ยใจมันจะอ่อนอย่างเงี้ยพราะศีลคน น, นั้นเนี่ยล้มอยู่เรื่อยคนที่ผิดศีลบ่อยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรรู้ ใครทำผิดศีลบ่อยๆภาษาภาคก็มีเรียกอยู่ทุศีลหมายถึงว่าศีลไม่ดีทำศีลผิดทำศีลเสียแต่ตอนนี้ทาทุศีลเนี่ยแต่ทาบ่อยๆออเขามีชื่อเรียกไงคนที่ทำผิดศีลบ่อยๆเนี่ยทุศีล น, นี่เป็นเป็นอาการกระทาเป็นกิริยาเป็นอาการกระทำ คนนี้ทำทุศีน่ ะ, ะนั่นแหละก็ผิดศีลเป็นอาจีนนั่นแหละ <laughs> ผิดศีลบ่อยๆนั่นแหละแต่เขาเรียกคนเนี้ยคนเนี้ยเนี่ยผิดศีลบ่อยๆเนี่ยอืมน่าจะใช้ว่าทุสีนเนี่ยแต่ทุสีมันยังมันยังไม่ไม่นันทีเดียวอคนพาล น, น่ะก็ก็ใช่แต่อันนั้นมันยังเรียกลมรวมจริงๆเนี่ยเขาเรียกพวก อรัชีอเนี่ยพวกทุกศีนบ่อยๆก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะตอนนี้จากอันนี้นะก็บอกว่าเนี่ยใจจะไม่มั่นคงในศีลแล้วนะเสร็จแล้วก็ย่อมได้รับการนินทาขณะมีชีวิตอยู่การดินทาหมายถึงว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะติเขาจะว่าคือเขาจะพูดในแง่ลบกับคนท่านบ่อยๆสําหรับคนที่พูด ง, ง่ายทําศีลไม่ค่อยได้ หรือไม่มีศีนั่นเองก็จะโดนคนติคนว่าบ่อยๆคนเขาไม่ยกย่องหรอกก็ไม่สรรเสริญนเพราะนั้นอันนี้ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเลยบอกอ๋อถ้าอย่างนั้นถือศีนก็ถือเพื่อให้คนยกย่องหรือให้คนสรรเสริญเลยไม่ใช่แต่มันเป็นสัจจะพอคนทําดีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็ยกย่องเขาก็สรรเสริญคนทําชั่วเนี่ยคนทําไม่ดีเขาก็ตําหนิเขาก็ด่าว่าก็ถูกต้อง แต่อันนี้ไม่ได้หมายความว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นใครโดนด่าใครโดนว่าใครโดนดินทาก็หมายถึงไม่มีศีลเลยไม่ใช่อีกหนึ่งเหมือนกันนะอะเพราะผู้พระเจ้าก็ยังโดนดินทาได้เลยอันนี้เนี่ยแต่ในคำพูดนี้นะบอกว่าย่อมได้รับการดินทาขณะมีชีวิตอยู่อันนี้หมายถึงว่าโดยสัจจะ โดยความเป็นจริงโดยความถูกต้องว่าคนไม่ดีเนี่ยคนไม่มีศีลส่วนใหญ่ไม่มีใครเขาชอบอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะคนไม่ดีคนไม่มีศีลมักเบียดเบียนคนอื่นมักทําอะไรตามใจตัวเองไม่คิดถึงคนอื่นเขาอยู่แล้ววัดมันไม่มีใครชอบอยู่แล้วอ่ะแล้วยิ่งบางทีทําอะไรเนี่ยโหจะเบียดเบียนอย่างงั้นจะเบียดเบียนอย่าง น, น, อยอยางนี้ใครเขาจะไปชอบไม่มีใครเขาชอบแต่ผู้ที่มีศีลเนี่ยส่วนใหญ่จะทําอะไรก็ต้อง คิดถึงใจคนอื่นเขาด้วยแล้วก็ศีลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะบังคับหรือว่าจะห้ามนะไม่ให้ไปเบียดเบียนคนนั้นะไม่ให้ไปเบียดเบียนคนนี้อย่าว่าจะเบียดเบียนคนเลยสัตว์โลกทั้งหลายยังจะไม่ให้ไปเบียดเบียงเลยโดยสัมคิดดูเอาเห็นไหมอย่าว่าแต่คนนินทาเลยสัตว์มันยังไม่นินทาเลย <laughs> ถ้ามีศีลแล้วน ะ, ะจริงๆถ้าสัตว์มันพูดภาษาคนได้มันไม่นินทาหรอก ใครที่มีศีลนะ่ยไม่ไปเบียดเบียนไม่ไปทําร้ายไม่ไปไปฆ่าแกงไปจับมันไปอะไรอะยิงนกตกบาอะไรไม่ทําอยู่แล้วถ้ามีศีลยจริ ง, รงนะเพราะฉะนั้นจะไม่ไปจองเวรไม่ไปกรร่อกรรมกรรม่ออะไรกับใครเขาเนี่ยแล้วย่อมได้รับทุกเสียใจในที่ทั่วไปเนี่ยสำหรับคนไม่ดีนะก็จะได้ได้รับทุกทั่วไปเพราะวิบากกรรมมีจริง ถึงบอกว่าไม่มีอะไรฟรีในโลกนี้ทำอะไรไม่ดีไปด่าใครเขาเอาไว้เงี้ยเราลืมไปแล้วจำไม่ได้เลยเพราะด่าไว้เยอะ <c oughs> จำไม่ได้เลยก็ตามแต่เดี๋ยวเหอะวิบากมันมาถึงเวลาก็ต้องมาแม้พอพูดอย่างนี้เสร็จก็เลยอ๋อถ้าอย่างนี้ถ้าใครมาด่าเราก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าเราต้องเคยด่าใครไว้ทั้ง <c oughs> มันไม่ได้ตายตัวอย่างนี้นะ เนี่ยพูดไปแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรที่ซับซ้อนแต่ถ้าคุณเข้าใจสัจธรรมแล้วเนี่ยคุณไม่งงเลยอ้าบอกตรงตรงเพราะว่าวิบากกรรมเนี่ยมันมีมันมีอยู่สองลักษณะที่ที่เราจะต้องศึกษาแล้วก็ต้องเข้าใจคือมันมีทั้งกรรมใหม่แล้วก็กรรมเก่าตรงนี้ต้องพูดบ่อยเพราะว่าคนไม่เข้าใจก็เอ๊ฟังแล้วมันงงงอ่ะก็ท่านบอกว่าวิบากกรรมใช่ม ด่าเขาเอาไว้เดี๋ยวอีกหน่อยก็ต้องโด น, นก็ถูกอันนี้ก็ถูกแต่ไม่ได้หมายความว่าพอใครมาด่าเราคนนี้ก็หมายถึงว่าเราเคยไปด่าเขามาในอดีตชาติไม่ได้หมายความว่าอย่างนี้อันตรงที่เรียกว่าตามพิบากรรมเนี่ยเราเคยด่าเขาเขาก็เลยมาด่าเรา อ, อันนี้คุณไม่สงสัยแน่ถูกต้องไหมแต่คราวนี้เราไม่เคยด่าคนนี้เลยเราไม่เคยทําร้ายคนนี้มาก่อนด้วย ไม่ว่าชาตินี้ไม่ว่าชาติไหนด้วยคุณก็ไม่เคยแต่ปรากฏว่าไอคนนั้นมาดาเราจริงๆโดยที่คุณไม่ได้มีวิบากกรรมเก่าอันนี้กับเขาเลยแต่คุณมีกรรมใหม่คนนี้ <c oughs> คุณมีกรรมใหม่ซึ่งไม่รู้แหละทำให้เขาไม่ชอบใจหรือไม่พอใจอะไรเราแต่อันนี้เป็นกรรมใหม่นะเหมือนอย่างอ่อ ผู้เจ้าเนี่ยแม้ตัสลูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วใช่ไหมเข า, เามีอะไรชาวนาอะไรเดินผ่านมาเสร็จแล้วโอ้โห<อ><อ>เห็นผู้เจ้าผ่องใสเหลือเกินนะมีสงา่ามีราศีมากเลยเสร็จก็เลยถามพอถามผู้เจ้าเสร็จผู้เจ้าก็ตอบเลยเราเนี่ยแหละคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัสลู ด, ด้วยโดยชอบด้วยตัวเอง ไม่มีใครเป็นครูบาอาจารย์เราโอ้โหเจ้าคนนั้นฟังเสร็จสายหน้าเลยโอ้โหยกตัวยกตนเหลือเกินคือไม่เชื่อเพืง่ายนะถ้าจะไม่ผิดไม่รู้ว่าอะไรอ่ะหันหน้าไม่รู้หรือว่าไม่ได้หันหน้าหรือเปล่าไม่รู้แบบขากน้ำลายเลยละ โอ้โหอย่างนั้นเลยคือไม่เชื่อสรุปแล้วก็คือว่าไม่เชื่อแล้วก็ทายหน้าเดินหนีไปเลยอืมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็ไม่ได้หมายความว่าเห็นหม้มอย่างนี้ก็หมายความว่าผู้เจ้าต้องเคยไปทำอะไรคนนี้ไว้เหรอ <odes. S 1> <ๆ>เขาถึงไม่ศรัทธากลับมาไม่ใช่นะแต่ตอนนี้กรรมใหม่เนี่ยมันหมายถึงว่าคราวนี้คนนั้นน่ะเอาสมมติว่าเพิ่งมาภาสาะเรื่องนี้กับพราาะเจ้าล้ แต่จิตของเขาเนี่ยมี ม, มีอะไรอ่ะมีความรักมีความชอบมีความชังอะไรที่เขาสะสมเป็นจริตเป็นนิสัยเข้ามาอยู่แล้วเ euh ขามาเจออย่างผู้เจ้าประกาศไปอย่างเงี้ยเขาไม่ชอบเพราะ้เขาก็ว่าเป็นกรรมใหม่ทันทีเลยไม่ใช่กรรมเก่าไม่ใช่เป็นการใช้นี่อันนี้ไม่ใช่เป็นการใช้นี่แต่เป็นกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นนะเหมือนกับยกตัวอย่างบุคคล เอาปัจจุบันนี้ก็ได้เหมือนกับเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราช่วยเหลือคนเนี่ยให้เงินเข้าไปบางครั้งเป็นกรรมเก่าเราจริงๆคนนั้นเคยช่วยเหลือเรามาแล้วก็มีโอกาสมาหมุนเวียนมาตายมาเกิดแล้วก็มาเจอเจอกันอีกคราว น, นี้เราก็เลยใช้นี่คืนเข้าไปอ่ะอันนี้ถูกต้องถึงบอกอันนี้เข้าใจง่ายไม่ยากอะไร แต่คราวนี้คนนี้เราก็ไม่เคยเจอมาก่อนเหมือนกันแต่ปรากฏว่าคราวนี้เราช่วยคนนี้ไปดูนะเราไม่เคยเป็นหนี้คนนี้เลยนะแต่เราช่วยคนนี้ไปกรรมใหม่เป็นการสั่งสมบารมีเพิ่มของเราเป็นกรรมใหม่เป็นกุศลกรรมใหม่ของเราที่เราช่วยคนนี้ไปเราไม่เคยติดหนี้คนนี้มาก่อนเลยแต่เราก็ช่วยไป อันนี้ไม่ใช่นี่นะอันนี้เป็นการภาษาพระเขาเรียกว่าเป็นการสั่งสมบารมีเพิ่มเป็นกรรมใหม่ที่เป็นกุศลเพิ่มแต่เป็นกรรมใหม่ที่เป็นบาปเพิ่มก็ได้นะแต่ละกี้พูดในแง่กุศลวันกรรมใหม่ที่เป็นบาปเป็นบาปเก่าเนี่ยมาทวงหนี้คุณก็ได้แล้วคุณก็ต้องใช้คืนหรือว่าเป็นบาปใหม่ก็ได้ที่ ที่แบบว่าไม่ได้ใช้คือนะแต่ว่าคนนั้นมาทํำกับเราใหม่เลยอ่าอย่างเนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นถึงบอกจะต้องเข้าใจว่ามันมีทั้งเก่าแล้วก็ทั้งใหม่ถ้าเก่าเนี่ยคือหนี้ใช่ต้องใช้แต่ใหม่ไม่ใช่หนี้ใหม่เนี่ยคือคือการเพิ่มมาของใหม่ในปัจจุบันนี้ของใหม่เพียงแต่ของใหม่เนี่ยจะเป็นบุญหรือเป็นบาปเท่านั้นเองแล้วแต่บุคคลที่จะกระทํา นะอันเนี้ยเสร็จแล้วก็แม้เมื่อตายไปแล้วย่อมได้รับทุกข์เสียใจในอบายภูมิคราวนี้นะคือคนที่เป็นคนพาลเนี่ยไม่ตั้งมั่นในศีลเพราะฉะนั้นเมื่อเขาไม่ตั้งมั่นในศีลเนี่ยเขาจะต้องทําผิดศีลอยู่บ่อยๆใช่ไหมเมื่อสิทธิผิดศีลบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะสะสมบาปเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยเเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรอยพราะเมื่อเขาตายไปเนี่ยไอ้ที่สะสมมาสะสมมาอา้าว ตายไปแล้วมันก็จริงๆไม่ต้องรอตายหรอกตอนเป็นๆอยู่ก็ต้องใช้นี่อยู่แล้วแม้ตายก็ต้องไปใช้นี่ใช้นี่ตามความเป็นจริงที่เขาทำไว้อันไหนที่เขาทำบุญไว้ก็ได้บุญไปอันไหนเขาทำบาปเขาต้องใช้นี่บา ป, าบาปแต่อันไหนที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าส่วนใหญ่เนี่ยทำบาปเมื่อคนพานเนี่ยทบาปเป็นส่วนใหญ่ก็บอกว่าเนี่ยถึงจะต้องทุกข์เสียใจในอบายภูมิ แม้ตอนเป็นๆเ น, นี่ยแหละอยากเข้าใจแต่ว่าอะไรอะ่ะตายไปแล้วหมายถึงตายจากไอ้ไอ้อะไระเนื้อหนังร่างกายนี้แล้วแล้วก็ไปในโนรกกระภูมิเสร็จแล้วก็โอ้โหไปอะไรนะโดนโดนเอาเหลาแทงก้อนอะไรโดนให้ไปปีนต้นยิ้วโดนให้ไปลงกระทาทองแดงโดนอีกาปากเหล็กมาไล่จิกไล่ตี อันนั้นก็เล่ากันไปแหละแต่อบายภูมิจริงๆอะ่ะ ม, มันไม่ได้หมายถึงว่าต้องไปมีรูปร่างอะไรเลยเพราะคนเราเนี่ยถ้าตายไปเนี่ยนะแล้วยังไม่ไปไปเกิดใหม่นะสมมตินะเนี่ยตายจากร่างนี้แล้วยังไม่เกิดใหม่ถ้าเป็นสภาพวิญญาณเนี่ยทำอะไรวิญญาณไม่ได้อยู่แล้วก็เราศึกษามาแล้ววิญญาณไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนแล้วคุณจะจับไปลงกระทะคุณจะจับไปปีนต้ยิ้วได้ยังไง ใช่ไหมในเมื่อไม่มีตัวตนเพราะเนี่ยหลายคนเนี่ยยังเข้าใจผิดชอบไปคิดอย่างเงี้ยแต่ตรมาก็เข้าใจนะว่าทําไมเขาต้องให้อย่างนี้เพราะคนยังยังไม่เข้าใจพอก็เลยต้องทําเป็นรูปธรรมขึ้นมาว่าตายไปแล้วก็ยังมีรูปร่างอย่างนี้นะแล้วก็จับไปปีนต้นยิ้ยงนี้นะต้องกอกไอาน้ําทองแดงใส่ปากนะคือก็เลยต้องเล่าเป็นรูปธรรม ท, ทั้งทั ง, ท, งที่จริงๆแล้ว จิตวิญญาณมันไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนอะไรเพราะฉะนั้นถ้าตายไปแล้วยังไม่ไปผุดไปเกิดเนี่ยถ้ายังไม่ไปผุดไปเกิดจริงๆแล้วไม่โดนกระทะทองแดงโดนอะไรนี่หรอกเพราะบอกแล้วมันไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนอะไรให้ไปจับยึดเอาแขนเอาขาอะไรที่ไหนเล่ามันไม่มีทำไม่ได้แต่ปรากฏว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ย เขาหมายถึงสภาวะจิตเขาไม่ได้หมายถึงว่าต้องมีตัวตนคือคุณจะมีร่างอยู่หรือคุณไม่มีร่างอยู่ถ้ามีร่างอยู่แสดงว่าอะไรมีชีวิตอยู่ตามเป็นๆ เ, เนี่แหละถ้าไม่มีร่างแล้วคือมีแต่วิญญาณใช่ไหมกําลังกําลังหาที่เกิดหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นแหละก็ยังต้องมีดวงวิญญาณอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญมันคือสภาวะของจิตวิญญาณนี่แหละเพราะฉะนั้นคําว่าอบายภูมิเนี่ย ทิลลกี้บอกว่าโอ้โหเป็นความเสื่อมเป็นอะไรเขาหมายถึงสภาวะจิตที่มันเนี่ยทุกข์มันทรมานมันเร่าร้อนนะมันแบบอะไรอ่ะไม่สุขไม่สบายอะไรเลยเพราะนั้นตอนคุณมีชีวิตชีวิตอยู่เนี่ยคุณก็อยู่ในอบายภูมิก็ได้อหรือคุณตายไปแล้วคุณก็อยู่ในอบายภูมิก็ได้อีกเพราะมันเป็นสภาวะจิต แต่ตอนนี้อบายภูมิเนี่ยมันมีอยู่สี่ภูมิอะไรบ้างอบายภูมิะนะหนึ่งก็คือนร ก, กภูมินร ก, กภูมิหมายถึงสภาวะจิตยังไงอนนะตอนนี้เราจะตรวจสอบแล้วนะว่าวันไหนบ้างรู้สึกโอ้โหอยู่ในอบายภูมิแล้วเกินวันนี้ไม่ใช่บอกโอ้โหวันนี้อากาศร้อน เลยเหมือนอยู่ในบรรยภูมิไม่เกี่ยวเลยอากาศภายนอกไม่เกี่ยวนะเพราะอากาศภายนอกติดแอร์ได้ใช้พัดลมใช้อะไรได้แต่อันนี้นี่พัดลมก็ตามแอร์ก็ตามแก้ไม่ได้เพราะมันเป็นสภาพระจิตบอกแล้ววันใครเนี่ยไปเจอผัสสะสมมติบอกแล้วเจอคนดา่ดาดา่ดาด่าดเงี้ยไม่ชอบไม่ชอบเสร็จยังไง โอ้โอึดอัดขาดเครืองน่ารู้สึกกินไม่ได้นอนไม่หลับร้อนทำไมคุณสนที่พูดอย่างนี้ทำไมนายโยกพูดอย่างนี้ <c oughs> โอ้ร้อนอึดอัด อ, อึดอัดอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยๆนี่เนี่ยก น, ย น, ยนี่กำลังอยู่ในอบายภูมิโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วเนี่ยแหละสภาวะจิตกาลังตกอยู่ในอบอายภูมิเนี่ยแหละ ก็เหมือนกับอยู่ในกระทะทองแดงเหมือนกับอะไรได้เหมือนกันเลยไม่ต้องตายตอนมีชีวิตอยู่นี่แหละตกอวัยภูมิแล้วเนี่ยเราเรียกว่าภูมินรกเป็นภูิที่มันเล่าร้อนทรมานยิ่งถ้าอาการหนักๆอาการหนักๆก็โหโกรธมากๆกรีดมากๆ ก, ก, ก็โหมันเล่าร้อนจนจนออกมาเลยนะบางทีเงือ่เงือ่เนี่ยแตกพลักพักหรือว่าตัวเตอเนี่ยร้อนชาไปหมดเลย บางคนนี่ออกตาอะไเงยตาอย่างกับไปฉายเลยตาแดงจะโอ้บางคนนี่ออกผิวเนี่ยนะอันนั้นมากมากมันร้อนมากๆ ม, มันทุรนทุรายมากๆ า, กากนี่ตัวดําเลยไอตัวดําอาจจะมากไปเอาแค่ตัวสีเทาก็พอแล้วบางทีโอ้โหออกเลยอาการออกจริงๆสิ่งเหล่าเนี้ยอรมมาเห็นของจริงมาแล้วบอโอ้โหเป็นจริงจริงแต่บางคนเนี่ยยังไม่ถึงกับ สีเทาสีดํานะบางคนก็ออกแดงๆเห็นไหมตัวเนี่ยโอ้โหออกแดงแต่มันจะคั้มไงออกคัค้มๆจริงๆอันนี้ไม่จะพูดเล่นเลยเนี่ยเี่ยถ้าคนนั้นรู้ตัวบอกเนี่ยเนี่ย น, น, นะตนกนรกอยู่ในอบายภูมิแล้วนี่นรกกับภูมิเนี่ยถ้าเราจับสภาวะจิตอย่างนี้ได้อ่ะโอ้ต้องรีบเลยหาทางแก้แล้วนั้นถ้าจะติดแอร์ก็ต้องติดแอร์ในใจติดแอร์ในจิตให้ได้ กูจะใช้อะไรอะ่ะที่จะมาทำให้เย็นได้ยี่ห้ออะไรดีทุกวันนี้เขายี่ห้ออะไรดังอะ่ะแอร์เนี่ยไอไอเครื่องปรับอากาศ อ, ะอ่ะนะาต่มามไม่ค่อยรู้อะ่ะก็เลยดึกไม่ออกอะไรนะซัมซุงเหรอกับอะไรนะมิซ s ย i เหรออามิซุยเหรอเอาละไม่รู้แล้วนะนั่นแหละ ซึ่งอันนี้บอกว่าแอร์อะไรเนี่ยหมายถึงถ้าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ถึงโอ้โหจะใช้ธรรมะข้อไหนดีเข้าใจไหมใช้ธรรมะข้อไหนดีถึงจะดับอีกความเล่าร้อนนรกในใจเราเนี่ยได้นั่นแหละใช้ธรรมะข้อไหนใช้ง่ายคิดยังไงที่จะทำให้จิตเราเนี่ยมันเย็นขึ้นมาได้